ไงยป็นไงยีส่งกันบ้านยี่มากับใครมากับเบิร์ค่ะเมื่อคืนเบิร์ดับไปชวนค่ะวันนี้ใจถึงขับรถมาไกลแล้ส่งกันบ้านไม่ทราบว่ามันไม่กับพร่องกับแพ่งเหลือเกินไม่ไม่คยเจอหน้าแล้วเป็นไงเสื่อมไหม เห็นกิเลสบ่อยไหมดีแล้วละรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้อยู่แล้วรู้ไปรือว่าสันเป็นไงไงกสบายดีค่ะแช่ว่าชวนชวนเขาตอนนี้พอดีเขามีนัดกับลกที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้มาเขาบอกว่าเดินหน้าจะไปหาหลวพ่อที่สารานุชิอที่นั่นคนเยอะเป็นพันเลยไม่เห็นนะมองพืชยังไงสองันบ้าน ก็ปฏิบัติไปตามรูปแบบครับก็เห็นกิเลสอยู่บ่อยๆครับแต่ช่วงหลังมานี่นิวรมันจะเล่นงานหนักหน่อยพอรู้ทันมันก็เบาลงครับเคยรู้ลงไปใจมันซุมเศร้าห้วงเหงาหานอนเลยนะรู้มันเรื่อยๆับนิวรตัวนี้ครอบเเรื่อยพอรู้ทันเหมันก็ตัวกามฉันทะจะมารบกวนจนบางทีต้องทำสมถะแต่พอเห็นสภาพที่ว่า เราทาเราเระลึกถึงคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เป็นกุศลขึ้นมามแต่ก็เห็นว่าสองอันเนี่ยไว้ไม่ได้แล้วครอยคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลบ่อยๆใจได้เกิดสมาธิคิดถึงคุณงามความดีที่สร้างนะจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็คอยรู้เอาตอนนี้บังคับมากไป เ, เต่นเต้นจะไปข่มมันนะเอาอย่างอี้นะอี้ตื่นเต้นแต่อี้ไม่ขม่ม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 ไม่ถึงฐานใช่ค่ะสองคุณวุฒิถึงฐานน่าดีกว่าถึงฐานแต่ฟุ้งซ่านสองคุณเนี่ยมันฟุงๆๆ้งฟุ้งฟุ้สองคุณมรร์มันไม่ถึงฐานลูกลีกลูกลีกไปเลยก็ยังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับที่พ่อเพราะคือมันห้ามไม่ได้แล้วก็พอเวลาคิดไม่ไม่ห้ามนะให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่าน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 ในชีวิตประจาวันตอนนี้ก็พอมีอะไรมากระทบมันมันก็เหลือแต่เหตุผลนะฮะอารมณ์มไม่ค่อยมีเท่าไหร่ชีวิตก็มีความสุขเยอะขึ้นครับอันนี้คนนะักการประมอีกคน <c oughs> ดีแล้วละนะให้รู้สึกไปไง <c oughs> จิตเปลี่ยนแปลงไปบา้างยังดีแล้ว <c oughs> ใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมีความสุขเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้สึกไปทันะ้งสองคนนะดีแล้ว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 ดูมากข้ามากข้าวนี้เห็นว่ามันไม่มีตัวเราที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของเราเนื้อได้พระโสดาบันค่อยรู้ไปเรืเ่อยๆดีแล้วเอาแม่ชีเมื่อวานหลวงพ่อพาดูสภาวะใจมันก็กระเพิ่มขึ้นมาบ้างค่ะแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นกิเลสขึ้นขึ้ น, นมาความพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็ปรับได้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 ถล่ลงไปออลงลไปแช่อยู่ตับถูกตับถูกก็ได้คะแนนถาดไต้ก็ช่วงนี้มันมีโมหะค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันนี้ทำไมมากันเยอะทีมอะไรกลุ่มมิมุตเหรอมากันกี่คน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาไม่ได้นั้นเงินก็เป็นอัศจรรย์ใช่ไหมไม่ได้นันหมายหนีงานมาพร้อมๆกัน <c oughs>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 เห็นแต่สภาวะเขาเกิดดับไปแต่เราไม่ทุกข์ด้วยนะเห็นแต่สภาวะที่เป็นทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้แต่ตัวเราไม่ได้เข้าไปก้าวไก่เลยไม่เป็นทุกข์ไปด้วยสบายดีแล้วแต่จิตมองไปหน่อยให้มันคึกคักไว้รู้กับปัจจุบันไปไม่มองหรอกไปอดีตไปอนาคตแล้วกลัวมากไปอยากกลัว ก, กลัวมากไปอย่างกังวลเรื่องศีลมากไปอะไรมากไปเนี่ย ทำให้ใจไม่เบิกบานจิต ใ, ใจยิ่งไม่เข้มแข็ง่าไปกลัวมันแต่ไม่ทำผิดรู้สึกไปรู้สึกด้วยก็สบายอ้าวจูนก็วันนี้เริ่มมาเนี่ยจูนจูนเข้าไปคลุกกับการกดนะคะแต่เมื่อสักพักเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนกดแล้วอ้าเิต่อคือตอนแรกเนี่ยคลุกเลยคะะ่ะเป็นเลยอะ่ะเป็นอยู่คลุกกับมันเลย สักพักเมื่อกี้เนี่ยจุนเห็นว่ามันเห็นการกดอยู่ต่างหาแล้วตำแหน่งที่อยู่ของมันก็เหมือนกับคนละที่เลยแต่ว่ากดเหมือนกันแต่ว่า อ, อีกอันนึ่งเราเห็นค่น ะ, ะดีละให้รู้ไว้ให้เห็นไว้อะดีละแล้วก็มีช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยจุนระหว่างที่คุยเนี่ยค่ะคือเห็นว่าจิตใจเรามันไปคลุกอยู่ในในเรื่องที่คุยแล้วก็เริ่มแบบคล่คลําครวญละแล้วอยู่ดีๆจิตใจ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 Hmm. ช่วงนั้นเกิดขึ้นอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงได้ดมีกำลังอยู่อย่างมั่นมากเลยค่ ะ, ะแต่เห็นเลยว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ๆเขาจะวางเขาก็วางของเข า, ขอ เ, ขาเองใช่จงใจวางไม่ได้จิตเขาเป็นไปเองถึงการหลุดพ้นก็เหมือนกันไม่มีใครทำจิตให้หลุดพ้นได้นะหลุดเองเขาหลุดเขาเองดีละแต่จิตเกินจริงนิดนึงนะมันเดอ๋เดอออกมาข้างหน้าก็ตอนนี้จึงก็รู้สึกว่า ทำในรูปแบบจุนจะทําไม่ค่อยได้เลยจึงเลยใช้อาศั ย, ศยฟังซีดีหลวงพ่อก่อนนอนอกับตอนเช้าบ้างอะคะ่ะก็พอมีกําลังขึ้นบ้างจริ ง, รงๆทําอะไรไม่ได้เลยนะแค่ขยับไม้ขยับมือเลยเนะี่ยคอยรู้สึกนะเอาร่างกายมาช่วยด้ยก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกบ้างถ้าจะดูจิตล้วนๆทํายากมีอีกทีคะ่ะหลวงพ่อจุนนั่งทํางานบ้านอยู่คะ่ะล้างจานอยู่แล้วอยู่ๆจุนก็เห็นเหมือนกับว่า มันมีสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนช่องสี่เหลี่ยมเหมือนจอโทรทัศน์อยู่แล้วมีคนรู้อยู่ต่างหากรู้ลงไปในช่องมันเกิดขึ้นแว็บเดียวแต่อย่ากระโจนลงในช่องไม่ค่ะก็คือจุนก็ล้างจานทําอะไรอยู่จุนก็เออแปลกดีเข้าไปเห็นเหมือนเป็นเป็นช่องอย่างเงี้ยค่ะฉันแนะนำหน้าไปทําอาชีพล้างจานค่ะทําอาชีพเสริม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 ก็ตื่นเต้นนะเจ้าค่ะแต่วันนี้ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขไปด้วยอะ่ะเจ้าค่ะแล้วกดูใจนิ้นครุกครักคลุกครักหรือทันมันออก็มันกระสับกระส่ายตื่นเต้นแต่มันก็เห็นว่ามันมีนมความสุขอยู่แต่ว่าวันนี้ก็เกรงน้อยกว่าทุกครั้งนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีเกรงอยู่นิดนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อถูกต้องแนละ้วยมก็กําลังพยายามตามรู้ตามดูอยู่ค่ะแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะไม่ทราบว่ายังงั้อ กดข่มอยู่มากอยู่เปล่าคะฟังไม่ค่อยออกว่าไงนะมันพยายามกดข่มอยู่มากอยู่เปล่าคะ อ, อ๋อนิดหน่อยไม่มากน้อยลงน้อยรู้สึกไม้มใจมันปล่งขึ้นถ้ากดข่มนะ่าใจมันจะแข็งแข็งเครียดเคียดหนักหนักถ้าไม่ขม่มมันจะโล่งโล่งโปร่งโปรงเนี่ยตรงนี้มีนิดหน่อยรู้สึกไหมอันแกล้งทำ <laughs> สวมหัวใจเด็กไว้น ะ, ะเด็กอะมีหัวใจที่ซื่อซื่อ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 พอก ร, กระทบก็ผิดธรรมดานะเช่นจะมองอะไรดีนะต้องตั้งหลักให้ดีนะค่อยมอง <c oughs> นี่ดัดแปลงการกระทบน ะ, อะพอมองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็เฉยสิใจไม่กระเถือนขึ้นมารู้สึกโอ้ฉลอยกูจะเป็นผ้ารหันแล้วกูเนี่ยเหมือนคนเป็นอมภาษหน่อยๆฉลอยผ้ารหารันจะเป็นอย่างนี้นะงั <c> ้ <oughs>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 คิดมากว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำไงจะดีกว่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องเลิกถ้าไม่เลิกพัฒนายากนี่พูดกันแบบกันเองนาะก็ผมถึงได้พยายามจะเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือว่าหาวิธีใหม่ใช่มก็คือว่าเวลามันคิดให้รู้เฉยว่ามันคิดนะครับถ้ามันไม่คิดไม่พยายามคิดก็คือเปลี่ยนว่าเอาสติไปอยู่ไว้ที่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 เมื่อกีนี้ที่หลวงพ่อเดินเข้ามาเมื่อกี้ใจลอยแวบหนึ่งคุณผู้ชายคุณผู้ชายใช่ไหมค่ะหลวงพ่อพาให้ดูนิดนึงก็รู้สึกว่าลืมตัวไปแล้วก็รีบเดินกลับมานั่งที่กว่าจะมารู้สึกตัวเนี่ยนานแล้วก็ระหว่างที่ท่านอื่นๆกําลังส่งกันบ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเตรียมตัวว่าเราจะส่งอะไรดีก็รู้ว่าคิดว่าเตรียมตัวอะไร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 หลุามาขอบกลวยที่ว่าเนี่ยหลุดเอเฮ้ยมันแยกได้เนี่ยนี่ลรมั่งตัวผู้รู้ไอ้นี่ถูกรู้เสร็จแล้วต่อไปมันไหลเข้าไปรวมอีกนะพยายามดึงไงดึงอยู่อาทิตย์หนึง่งหลุดออกมาหน่อยเข้าไปรวมอีกดึงอีกห้าวันนะหลุดออกอีกหน่อยนะึ่งไปดึงอยู่นั่นแหละยุ่งวุ่นวายที่จริงรู้เฉยๆแล้วหลุดเลยไปดึงไปอยากให้หลุดไม่หลุดหรอกกราบนะมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้มาด้วยใจที่มีความอยากค่ะอยากขอคําแนะนําจาก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 ไม่ดูเหมือนหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อดุอ่าเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์ขอบพระคุณค่ะ